เรื่องภิกษุให้อามิตสมัยนั้นคนทั้งหลายถวายอามิรแก่ภิกษุทั้งหลาย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 ภิกษุทั้งหลายอามิตรที่เขาให้ตนฉันภิกษุไม่พึงให้แก่ผู้อื่นรูปใดให้ต้องอาบัตทุกกฏสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายมีอามิตรมากภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า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 สมัยนั้นชาวบ้านถวายอามิตรแก่ภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายจึงถวายแก่ภิกษุทั้งหลายคนทั้งหลายตัหนิประนามโผลนทนาว่าเไหนอามิตรที่เขาถวายให้ตนฉันภิกษุณีทั้งหลายจึงให้แก่ผู้อื่นเล่าพวกเราไม่รู้จักให้ทานเองหรือ ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอามิตรที่เขาให้ตนฉันภิกษุณีไม่พึงให้แก่ผู้อื่นรูปใดให้ต้องอาบัตทุกกดสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายมีอามิตรมาก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 อนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายรับอามิตรที่ภิกษุณีทั้งหลายเก็บไว้มาฉันได้